บุกทูแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดอดีตการหนึ่งปรชลสุสเยเดนเขียนปีสติเขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ อันย์เขีย а จดหมายและเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบอัน н а п ย с а л а р น з г л я д н и ล у เธอได้เนการ์ดหเขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับเขาได а อ่าน с รหนึ่ และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มอ่านหนังสือหนึ่งเิ่มหยิบขึขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวนขนึซิกาธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิน้ น, น uze la komand čokolade เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ On je bio nevjeran, ali je ona bila vjerna เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน On je bio ljen, ali je ona bila vrijdna เขาจนแต่เธอรวย Onie bio an, s i r o m s h o n Aliye ona bilva bogata เขาไม่มีเงินมีแต่นี่ On nie imao novca vec dugove เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้าย On nie imao sreće, već peka. เขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลว On nie imao uspjeha, već neuspjeha. เขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจ On nie bio zadovoljan. เขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ออนนี่เอ๋บีออบสุริตันเวเขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตรออนนบอวอิ